วันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ญาติโ ย, ยมก็ได้มีเวลามีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลกันหลายวันด้วยกันแต่พรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปทำภารกิจการงานต่างๆ เวลาที่จะได้ทำบุญก็จะน้อยลงไปแต่ก็ยังพอที่จะทำได้ถ้ามีความตั้งใจที่จะกระทำทานก็ยังทำได้ถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อยู่ก็แบ่งเอาไว้ไปให้ สงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนศีลก็ยังรักษาได้อยู่รักษาศีนห้าไปถ้ารักษาศีลแปดไม่ไหวก็รักษาศีลห้าไปการภาวนาก็ยังสามารถทำได้อยู่การเจริญสติก็ทำได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ แต่อาจจะไม่สะดวกไม่สบายเท่ากับเวลาที่ได้มาปีกวิวเวกได้อยู่คนเดียวไม่ต้องทำภารกิจการงานต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆและสิ่งต่างๆที่จะต้องใช้ความคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยู่คนเดียวปิดไม่เวกการที่จะต้องใช้ความคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆก็จะไม่มีการจเจริญสติให้ใจดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายแต่ก็ยังควรที่จ ะ, จะเจริญสติกัน เวลาที่เราต้องไปทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็ให้ใช้สติหรือปัญญาควบคู่กันไปให้คิดอยู่ภายในใจว่าเป็นของชั่วคราวสิ่งต่างๆที่ต้องทำนั้นเป็นของชั่วคราวงานที่ต้องทำ ทำเพื่อที่จะมารักษาสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วคราวก็คือมารักษาร่างกายทำงานก็เพื่อที่จะได้มีเงินทองมาจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของปัจจัยสี่ให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าเป็นงานชั่วคราวและสิ่งที่เราจะต้องมา ดูแลรักษาก็เป็นสิ่งชั่วคราวเพราะฉะนั้นจะได้มากได้น้อยก็อย่าไปกังวลกับมันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความชั่วคราวนี้เองได้มากร่างกายมันก็อยู่ได้ชั่วคราวได้น้อยร่างกายมันก็อยู่ได้ชั่วคราวเหมือนกัน แต่เราควรที่จะให้ความสนใจกับการดูแลสิ่งที่ถาวรจะดีกว่าสิ่งที่ถาวรก็คือใจใจนี้มีอายุยาวนานคือไม่มีวันตายส่วนร่างกายนี้มันมีวันตายเพราะฉะนั้น เวลาที่เราทำงานทำการเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องเลี้ยงดูจิตใจควบคู่ไปกันด้วยอย่าไปทำลายจิตใจในการทำงานทำการเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการทำลายจิตใจ ก็ทำด้วยความโลภทำด้วยความอยากเกินขอบเขตเกินความเป็นไปได้เกินความสามารถแล้วก็ใช้วิธีลัดวงจรเคอใช้วิธีทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาเพราะว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย ได้เงินทองที่เป็นของชั่วคราวมาดูแลร่างกายที่เป็นของชั่วคราวด้วยการทำลายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจทำอย่างนี้ทำแบบได้ไม่คุ้มเสียสู้อย่าทำดีกว่าถ้าต้องทำอย่างนี้ยอมอดตายดีกว่ายัางได้กำไร ให้ายอมอดตายเพราะว่าจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดถ้าหามาได้โดยวิธีถูกศีลถูกทําไม่ได้ก็ยอมอดตายยอมอยู่แบบอดอยากขาดแคลนดีกว่าอยู่แบบอิมมีพีมันอยู่แบบร่ำรวยแต่ทําลายจิตใจสร้างพบ สร้างกรรมให้แก่จิตใจที่ไม่ดีสร้างอบายให้แก่จิตใจสร้างความเป็นเดรัจฉานสร้างความเป็นเปรตสร้างความเป็นอสุรกายสร้างความเป็นนรกให้แก่จิตใจแต่ร่างกายนี้เป็นใหญ่เป็นโตร่มรวย มีทรัพย์สมบัติมีบริษัทบริวารมากมายมีการยกย่องสรรเสริญเยินยอแต่ใจนั้นกลับไม่เจริญใจกลับตกตำ่ำและใจก็ไม่มีความสุขมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากที่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปไเรื่อย โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าของที่ได้มาเงินทองที่ได้มามันก็เป็นของชั่วคราวไม่กี่สิบปีก็ต้องสูญเสียมันไปอยู่ดีต้องจากมันไปอยู่ดีนี่คือการทำงานด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญาใข้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับการทำงาน ทำแล้วอยากมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจความอยากที่จะได้มากๆโดยไม่มีเหตุมีผลไม่มีขอบมีเกศก็จะสามารถสร้างความทุกข์ใจได้เพราะเวลาที่ทำแล้วไม่ได้ดังใจก็จะโกรธบ้างจะเสียใจบ้างจะท้อแท้เบื่อหน่ายบ้าง เพราะว่าเราลืมว่าเรากำลังทำสิ่งชั่วคราวกันทำในสิ่งที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียมันไปอยู่ดีถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของชั่วคราวได้มากได้น้อยก็ก็เท่านั้นสิ่งที่ควรจะได้มากก็คือจิตใจ ที่เป็นของถาวรจิตใจจะได้มากก็ต้องได้ด้วยการเสียสละดยต้องได้ด้วยความมากน้อยสันโดษต้องได้ด้วยความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะเจริญในระหว่างที่เราต้องไปทำงานทําการ ทำมาหากินาหาของชั่วคราวมาดูแลของชั่วคราวแล้วก็รักษาของถาวรให้อยู่ดีกินดีใจของเราจะอยู่ดีกินดีนี้ต้องอยู่ด้วยทานด้วยการให้อยู่ด้วยจาคะด้วยการเสียสละดูอยู่ด้วยความมากน้อยสันโดษไม่มากมากไม่โลภมาก ต้องการเท่าที่จําเป็นต้องการเพียงพอที่จะดูแลรักษาสังขารร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สร้างอาหารสร้างบุญบารมีสร้างทรัพย์สมบัติให้แก่จิตใจเราต้องมีทานมีจาคะการเสียสละ มีมากน้อยสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดทำงานไปได้มากได้น้อยก็พอใจค้าขายวันนี้กำไรสิบเอร์ซนก็พอใจพรุ่งนี้กำไรยี่สิบเอร์ซนก็พอใจมาเลยนี้ขาดทุนไปสิบเอร์ซนก็พอใจตราบใดที่ยังมี สิ่งที่มาดูแลรักษาร่างกายได้ก็พอใจหรือแม้ว่าไม่มีหรือไม่พอก็พอใจเพอใจะให้ทำอย่างไรได้เมื่อมันได้เท่านั้นมันมีเท่านั้นออการทำอะไรมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราเพียงคนเดียวการทำมาหามาหากินหาไรายได้มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ มันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงทำให้การหารายได้ของเราง่ายบ้างยากบ้างมากบ้างน้อยบ้างถ้าเราไปมีความอยากให้ได้ง่ายได้มากเพียงอย่างเดียวเวลาได้ยากได้น้อยก็จะใช้วิธีทางลัดเดินทางลัด ด้วยการไปทำบาปช่อโกงอันนี้ก็จะได้ไม่คุ้มเสียได้ของชั่วคราวมาดูแลของชั่วคราวแต่ได้โทษได้ภัยมาทำลายของถาวรมาสร้างทุกข์สร้างพบชาติที่ไม่ดีให้แก่จิตใจนี่คือ สิ่งที่เราควรจะกระทําถ้าเรายังมีภารกิจการงานที่ต้องทําดูแลตัวเราก็ดีดูแลบุคคลที่เรามีความรับผิดชอบอยู่ก็ดีก็ขอให้คิดว่าเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนหรือถ้าเป็นวัตถุในที่สุดมันก็ต้องเสื่อม มันก็ต้องพังไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถาวรในโลกนี้ขอให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่สร้างความทุกข์สร้างพิษสร้างภัยให้แก่จิตใจทำไปตามกำลังของเราแล้วก็ให้พยายามทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับใจ พยายามเล็กเลี่ยงการกระทาที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์หรือเป็นโทษแก่จิตใจเช่นการเสพอบายมุกต่างๆการเดิมสรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการครบคนไม่ดีเป็นมิตรคนง่เป็นมิตรการมีความเกลียดคร้านการกระทำเหล่านี้ จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะดึงให้จิตใจตกต่ำผู้ที่เสพอบายามุกแล้วมักจะต้องไปทำบาปตามลำดับต่อไปถ้าไม่ไปเสพอบายามุกก็จะไม่ต้องไปทำบาปแล้วก็จะมีเวลามาเจริญภาวนามาเจริญสมาธิภาวนาเจริญปัญญาภาวนา เช่นเวลากลับจากบ้านแล้วแทนที่จะแวะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเดิมสุรายามาไปดูมหารสพเพื่อบันเทาผ่อนคลายความเครียดควรจะกลับบ้านไปหามุมสงบในบ้านภาวนาจะดีกว่ารีบกลับบ้านอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหาร ทีวีไม่ต้องไปดูมันดูมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้ามันทำให้เราวิเศษเราควรจะวิเศษไปนานแล้วมาดูใจดีกว่ามาดูใจว่าเป็นอย่างไรใจสงบหรือใจไม่สงบใจคิดหรือไม่คิดถ้าใจคิดใจไม่สงบก็จรินสติ พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอานาปณะสติก็ดูลมหายใจเข้าออกกายกตาสติก็ดูร่างกายถ้าร่างกายเคลื่อนไหวกําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินกําลังยืนก็รู้ว่ากําลังยืนกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากําลังแกว่งแขนกําลังทําอะไร ด้วยร่างกายให้ใจเราเฝ้าดูอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้หรือใช้ปัญญาดึงกลับมาก็ได้ว่าอย่าไปคิดให้เสียเวลาเป็นเรื่องชั่วคราวเรามาทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวรดีกว่ามาสร้างสิ่งที่ดี ให้แก่ใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรดีกว่าสร้างพบชาติที่ดีขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือบุญกุศลต่างๆที่เรายังพอที่จะทำได้ในวันที่เราต้องไปทามาหากิน ทำภารกิจต่างๆถ้าเรามีใจที่แน่วแน่ต่อการสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะพยายามดึงใจให้มาในทางธรรมให้มากที่สุดพยายามต่อต้านการไปในทางของโลกไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิดคือไปในทางของกิเลสตัณหา เช่นรับประทานขนมนมนอยเดิมเครื่องดื่มชนิดต่างๆแบบไม่มีเวลาล่มีเวลาทั้งๆที่ร่างกายก็มีอาหารพอเพียงมีน้ําดื่มพอเพียงอยู่แล้วแต่ก็ยังอดที่จะเสพลดของอาหารลดของเครื่องดื่มไม่ได้อันนี้ก็เป็นการไปในทางของอิเลสตันหา ไปในทางการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากนี่แหละที่ดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดถ พ, พะชนิดต่างๆดึงกลับมาเกิดเพื่อที่จะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพะใหม่เวลาที่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือของใจในการหารูปเสียงกลิ่นรสผทดพะตายไปหมดสภาพไป ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังมีอยู่ก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ทําให้ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายวุ่นวายกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เป็นวัฏจักร เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาที่สัตว์โลกถูกลากจูงไปเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ฝืนไม่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหาลากพาไป ก็จะต้องไปในทิศทางของการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายซ้ำแล้วซ้ำอีกความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวสลับกับความทุกข์ที่ตามมาถ้าแต่ถ้าเราดึงใจให้ออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาดึงใจให้เข้าสู่กระแสดึงดูดของธรรม ใจของเราก็จะตัดภพตัดชาติลดจำนวนภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะหมดไปอย่าไปทำตามความอยากทำตามความจำเป็นทำด้วยเหตุด้วยผลจะดื่มจะรับประทานอะไรก็ให้ดื่ม ให้รับประทานเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานเพื่อความอยากทางตาหูจมูกเล่นกายนี่คืองานที่เราต้องทำควบคู่กับการทำงานดูแลรักษาร่างกายของเราถ้าเราต้องเลือกระหว่างร่างกายกับจิตใจ ก็ขอให้เราเลือกจิตใจเสมอหลังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สละทรัพย์ถ้าต้องเสียระวังใจกับทรัพย์สมบัติจะยอมเสียอะไรให้ยอมเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปทําให้เสียใจอย่าทําไปให้ทุกข์ใจเพราะการครอบครองรักษาเงินทองเอาไว้ ปล่อยมันไปถ้ามันจะต้องไปปล่อยมันไปถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหามันแล้วใจจะไม่ทุกขนะ์เช่นเดียวกับอวัยวะและชีวิตของร่างกายถ้าต้องเลือกระหว่างอวัยวะชีวิตของร่างกายกับจิตใจก็ให้เลือกจิตใจยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษา ใจไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายยอมเสียชีวิตก็เช่นเดียวกันยอมเพื่อที่จะรักษาให้ใจสงบให้ใจไม่ทุกข์ไปกับความตายของร่างกายถ้ายอมตายถ้าปล่อยร่างกายได้ใจจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าปล่อยไม่ได้ยังรักยังหวงร่างกายอยู่ ความตายไม่เป็นทุกข์แต่ความรักความหวงร่างกายที่ไม่ยอมให้ร่างกายพัดพากจากใจนี้ที่เป็นเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์ถ้ายอมให้ร่างกายไปใจจะไม่ทุกข์ถ้ายอมเสียอาไว้เว่าใจจะไม่ทุกข์ถ้ายอมเสียทรัพย์ใจจะไม่ทุกข์นี่แหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ใจเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่ตายไม่หมดไม่สูญที่จะอยู่ไปอยู่คำฟ้าแม้แต่จักรวาลต่างๆก็ยังมีวันล่มสลายมีวันหมดไปแต่ใจของสัตว์โลกทุกดวงนี้ไม่มีวันล่มสลายไม่มีวันหมดไปมีแต่จะถูกอำนาจของโมหะอวิชชากิเลสตัณหา คอยดึงให้ไปเข้าสู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นนานๆจะมีดวงจิต ด, ดวงใจที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเอาชัยชนะกิเลสตัณหาได้มาทำลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่คอยฉุดลากให้ใจ ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเวลาที่ไม่มีสิ้นสุดพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวที่สามารถที่จะรู้ความจริงของใจได้ว่าใจตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยสาเหตุอะไร และใจจะหลุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยอะไรพอพระองค์ได้ทรงคนพบความจริงอันนี้แล้วสัตธรรมนี้แล้วพระองค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ดวงจิต ด, ดวงใจของสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของโมหะอวิชากิเลสตัณหา ผู้ที่ได้น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็สามารถที่จะทำลายกิเลสตันหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวฉุดรากให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการเจริญธรรมะที่จะเป็นเครื่องมือ ในการทำลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้ให้หมดไป เ, ออเครื่องมือนี้พระ อ, องค์ก็ทรงเรียกว่ามรคมรคนี้ที่พระ อ, องค์แสดงอย่างละเอียดก็มีอยู่8ข้อด้วยกันถ้าพระ อ, องค์ทรงย่อลงมาก็เหลือสข้อ3ข้อก็มีสองแบบแบบของนักบวช กับแบบของคารวาสแต่ก็เป็นมรรคเหมือนกันมีครบ8ดข้อหรือ9ข้อในกรณีของคารวาสญาญโยมมรรคแปดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความนําลึชอบสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิว อาชีพชอบสั ม, มาวายายโมความเพียรชอบสั ม, มาสติการน้อเลกรู้ชอบและสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตใจชอบนี่คือองค์ประกอบของมรรคที่เป็นอาวุธของธรรมในการที่จะนำมาทาลายอิเลตันหาโมหะาอาวิชชา ให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าทรงย่อลงมาก็แยกเป็นย่อลงมาเป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาถ้าทรงสอนนักบวชศีลก็คือสัมมากรัมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะแล้วก็ สมาธิก็คือสัมมาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิและปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรความจริงจะแยกคำว่าสัมมาวายโมออกมาจากศีลสมาธิปัญญาก็ได้ ความเพียรชอบนี้ก็คือเพียรในในไตสิกขานี่เองให้เพียรสร้างศีลให้เพียรสร้างสมาธิให้เพียรสร้างปัญญาถ้าส่งสอนค้าราชกญาติโยมผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคอยถ่วงจิตใจอยู่คอยดึงจิตใจไม่ให้เล่นลอดออกจากอํานาจของกิเลสตันหาอยู่ก็ท่งสอนให้ทําทาน ศีลภาวนาทานก็คือให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไปศีลก็เหมือนกับศีลของพระที่ทรงให้แสดงกับพระต่างกันที่มีข้อมากน้อยต่างกันของคารวะก็ศีลห้าศีลแปดของพระของนักบวชก็ศีลสิบศีลสองยบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อ ส่วนภาวนาก็คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องมีสติเป็นผู้นำทางต้องเจริญสติเพื่อที่จะได้ความสงบก็คือสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจแล้วหลังจากนั้นก็เจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจ า, ารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนาัตตา พิจาณาสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในของใจว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนี่เรียกว่าปัญญานี่คือมรรคที่ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกตามฐานะของผู้ที่ฟังว่าเป็นบุคคลประเภทใดถ้าเป็น พระก็ทรงสอนศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็ทรงสอนทานศีลภาวนาแต่ก็รวมอยู่ในมรรคที่มีองค์แปดนี้มรรคที่เป็นองค์แปดนี้เป็นส่วนขยายออกจากศีลสมาธิปัญญาออกจากทานศีลภาวนาที่ไม่ได้สอนทานให้แก่นักบวชก็เพราะว่านักบวชนั้นได้ทําทาน ได้สละทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วเวลาบวชนี้ไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของติดตัวไปแล้วไปตัวปเปล่าๆไปพร้อมกับอัฐบริขารคือเครื่องอยู่อาศัยของนักบวชนักบวช ต, ต้องการเพียงแค่อัฐบริขารนี้เท่านั้นก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสุขสบายเหมือนกับญาติโยมที่มีปราสาทราชวงังมีกุลหัตอันหรูหรา มีเสื้อผ้าอาพร อ, อันสวยงามปราณีตมีอาหารที่วิจิตรพิสดารมียารักษาโรคที่ล้ำสมัยมีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมากสำหรับปัจจัยสี่ของภาค น, นี้มีแค่อัตบริคานก็พอแล้วอาหารการหาอาหารก็มีบากใบเดียวก็ใช้ได้แล้ว เครื่องนุ่งห่มก็มีไตจีวรมีผ้าสามผืนพร้อมกับประคตเอวมีมีโดโกนไว้สำหรับปรงหนวดปรงผมมีที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้ำดื่มเพื่อที่จะกรองไม่ให้มีตัวสัตว์เข้าไปในน้ำที่จะดื่มเวลาไปตักน้ำดื่มในลำธารลำห้วยบางทีมีตัวลูกน้ำ ถ้ามีที่กรองตักก็จะไม่ตักโลูงน้ำติดขึ้นมาด้วยส่วนที่อยู่อาศัยของนักบวชก็อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างพอแล้วและเป็นที่ที่ดีกว่าอยู่ตามบ้านตามเมืองที่มีข้ารหารมีบ้านอันหรูหราอยู่ เพราะอยู่ตามบ้านตามเมืองนี้มันไม่สงบมันไม่วิเวกเหมือนกับการอยู่ตามป่าตามเขาตามป่าตามเขานี่จิตใจสถานที่มันวิเวกก็กายวิเวกก็เลยทำให้ใจวิเวกตามด้วยพออยู่ที่สงบสงดัดใจก็จะสงบสงดัดถ้ามีสติคอยควบคุมไม่ให้ผลิตความคิดต่างๆขึ้นมา การภาวนาใน ท, ที่วิเวกสงบกับการภาวนาที่มีเสียงมีอะไรต่างๆรอบตัวนี้ต่างกันมากภาวนาในบ้านในเมืองกับภาวนาในป่าในเขานี่มีความยากง่ายต่างกันมากผู้ที่ปรารถนาผลในการภาวนาจึงมักจะไปอยู่ไปปีกวิเวกตามป่าตามเขากัน ไปอยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษพอมีพอกินพออยู่ก็พอแล้วขอให้มีเวลาภาวนาขอให้มีสถานที่เหมาะสมแก่การภาวนาเอื้อต่อการภาวนาสัปปายะต่อการภาวนาเท่านั้นก็พอนักบวชทั้งหลายท่านจึงอยู่ตามป่าตามเขากันสมัยพระพุทธกาลนี้ไม่มีกุติ สมัยที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรลโนี้ไม่มีกุเตอพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับอยู่ใต้โคนไม้ตัดสรูโอยู่ที่ใต้โคนไม้อาจจะมีเพิงมีอะไรไว้กันฝนกันแดดบ้างอันนี้แต่ไม่ได้เป็นแบบอะไรที่ถาวรที่หรูหราพอใช้งานได้ก็พอพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอเพราะมักจะไม่อยู่ที่เดียว ประจำนักเจจาเล็กไปที่ต่างๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเวลาอยู่แล้วมีคนมารบ ก, กวนก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นอย่างประวัติของหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็ไปปีกวิเวกอยู่แถวเชียงใหม่ท่านก็จะไม่อยู่กับที่ไปนานๆเพราะพอคนรู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนก็จะรุมไปหาท่านกันทั้งพระทั้งคารวะญาติโยม พอมาลุมเข้าท่านก็ไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาเจริญสติไม่มีเวลานั่งสมาธิต้องมาคอยต้อนรับขับสุขต้อนรับกันมาคอยดูแลกันมาอบรมพร่ำสอนให้กันตัวเองเลยไม่มีเวลาภาวนาก็เลยต้องปีกต้องจาเล็กหนีไปย้ายที่ใหม่ไปก็ไม่บอกว่าไปที่ไหนไม่ให้ใครตามไป พอไปอยู่ได้สักพักก็พอมีคนรู้ขึ้นมาก็ตามกันไปอีกเ พ, พราะพระนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคารวะเป็นผู้ให้อาหารพระต้องมีที่ไปบินตาบาทถ้าไปบินบินตาบาทอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เกิดความสนิทสนมกับผู้ใสาบาตรแล้วก็เกิดการสนทนาปาศัยกัน นะเกิดศรัทธาขึ้นมาก็จะเกิดการมารุมเล้ากันนะพระสมัยก่อนพระที่หวังความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงมักต้องเปลี่ยนที่ภาวนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ถูกบุคคลต่างๆมารุมเล้ามารบกวนการภาวนาจนกว่าจะสามารถ บรรลุถึงผลที่ต้องการได้แล้วนั่นแหละถึงจะไม่ปีกวิเวกไม่หลีกไม่หนีเพราะตอนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตามลำพังคนเดียวอยู่กับใครก็ได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจและก็จะได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาพึ่งพาสายต่อไปได้นี่คือเรื่องของ การทำงานของนักบวชการกินการอยู่ของนักบวชท่านทำท่านกินท่านอยู่เพื่อจิตใจอย่างแท้จริงท่านยอมสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพื่อใจจะได้ไม่ต้องมาภาภนกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆท่านยอมทุกข์ยากลําบากทางอวัยวะทางร่างกายอยู่แบบอดอยากขาดแคลน แต่อยู่เพื่อที่จะให้ใจอยู่ในสารที่สงบสงัดวิเวกก็ยอมอยู่ในสถานที่แบบนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรผลที่ท่านได้รับจากการที่ท่านยอมลงทุนเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตท่านก็ได้จิตใจที่หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกลายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของสารโลกต่อไป กายเป็นพุทธังสารนังกระฉามิกลายเป็นสังฆังสารนังกระฉามิผู้ที่เผยแผ่ธรรมังสารนังกระฉามิให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็ได้อาศัยพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกระฉามินี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่สร้างที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นที่สร้างพระนิพพานเขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏอยู่ในโลกนี้สรรโลกทั้งหลายจะไม่มีความสามารถที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาได้ด้วยตนเองจําเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นําทางเป็นผู้ชี้ทางยกเว้นคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระบรารมีอันแก่กล้า ที่สามารถศึกษาวิธีสร้างพระนิพพานขึ้นมาได้ด้วยพระองค์เองเป็นองค์เดียวท่านั้นถ้าไม่มีพระองค์มาสร้างมาศึกษามาสร้างพระนิพพานจนสำเร็จก็จะไม่มีสัตว์โลกคนไหนโดยสัตว์ใดตัวใดที่จะสามารถสร้างพระนิพพานขึ้นมาได้แต่พอมีพระพุทธเจ้า ได้สร้างพระนิพพานขึ้นมาแล้วแล้วนำเอาวิธีสร้างพระนิพพานนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่สนใจผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่ปรารถนาการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสามารถสร้างพระนิพพานนี้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วไม่ต้องรอการสะสมบุญบา ร, รมีเป็นกับเป็นการอีกต่อไป ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องสะสมบุญบา ร, รมีเป็นกับเป็นกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าตนเองจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือไม่เช่นนั้นก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าในอนาคตในขณะที่ตอนได้สะสมบุญบา ร, รมีมาพอสมควรที่จะได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติ และบรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือทางไปของสัตว์โลกมีอยู่สองทางสร้างบุญบารมีด้วยตนเองแล้วก็ไปตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเองซึ่งจะต้องใช้เวลานับเป็นกับเป็นกันหรือถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องสร้างบุญบารมีไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้มีบุญไว้ลองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่ได้ไปเกิดแล้วไปพบกับพระพุทธศาสนาจะได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้พบกับพระสาวกก็เป็นเหมือนกันก็จะสามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ภายในพบนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเรา ที่เป็นสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ขออย่าให้ลืมใจของเราอย่าลืมสร้างบุญบารมีต่างๆให้แก่ใจของเราถ้าเรามีกําลังมีความสามารถพอที่จะปฏิบัติและบรรลุได้เราก็ควรที่จะทํากันอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะเวลาไม่แน่นอนวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอีกก็ได้ สำหรับเราถ้าเราสามารถออกบวชได้บําเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ควรจะทําอย่าไปเสียดายกับอะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ขอให้เรามองว่าเป็นเป็นของชั่วคราวแล้วเราจะปล่อยมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาไม่ช้าก็าเร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีจะจากกันแบบไหนดี จา ก, กันเพื่อไปพระนิพพานหรือจากกันเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดก็มีการจากกันสองวิธีนี้ถ้าจากแบบพระพุทธเจ้าก็จากไปเพื่อไปสร้างพระนิพพานถ้าจากแบบสัตว์โลกทั่วๆไปก็จากเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือทางเลือกของพวกเรานานๆเราจะได้มีโอกาสเลือกทางนี้สักครั้งหนึ่ง ไม่ชนะแล้วก็จะมีแต่ทางเดียวก็คือพัดพากจากกันเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระสาวกมาคอยนำพานำทางให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองก็ต้องจากกันด้วยการไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่แล้วก็ไปจากกันใหม่ เพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดมาอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีพพนี้ชาตินี้เท่า น, นั้นะที่มีทางเลือกที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือจากกันเพื่อจะไปพระนิพพานกันอย่างพระสาวกทั้งหลายที่ท่านได้จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเพื่อไปพระนิพพานกันครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาท่านก็จากสิ่งต่างๆจากพ่อจากแม่ จากสามีจากภรรยาจากลูกจากจากเพื่อนผูงจากความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากลาบยศสรรเสริญแล้วก็ไปสร้างพระนิพพานกันจนสามารถได้พระนิพพานภายในชาตินี้เลยนานๆานจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนานๆานจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งจึงอย่าปล่อยให้เวลาและโอกาสอันร้ำค่านี้ หลุดมือไปอย่าคว้าน้ำเหลวอย่าเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดก็คือตายเพื่อกลับไปเวรไหว้ตายเกิดถ้าไม่เสียชาติเกิดก็ต้องตายเพื่อไปพัฒนิพานเท่านั้นหรืออย่างน้อยก็ไปขั้นพระอาริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะจะต้องไปถึงพัฒนิพ า, น, า, น, าน์อย่างแน่นอนเมื่อเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลา เกหลายพพชาติแต่ก็ไม่เกินเจ็ดพบชาติเป็นอย่างมากก็จะไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะนำเอาติดตัวไปเวลาที่เราจากที่นี่ไปเวลาที่เราไปทำงานทำการไปดูแลรักษาของชั่วคราวไปหาของชั่วคราวมาดูแลรักษาของชั่วคราว อย่าให้หามาด้วยการทำลายของถาวรด้วยการทำบาปทำกรรมด้วยการขาดความกรุณาขาดความเมตตาขาดมุดิตาขาดอุเบกขาขาดจาระขาดความมากน้อยสันโดษขอให้เราพยายามเจริญคุณธรรมเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เรายังต้องแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อมาดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ของเราและของผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ขาดทุนและเราก็จะพร้อมที่จะกลับมาบาเพ็ญทันทีในเวลาที่เรามีเวลาว่างจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพนิจพิจแนและปฏิบัติ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 อิจิต so so ังปฏิตังตุ მ หังคิปเมวะสัมิจัตุสัพเพปุระเอตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตตะวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสิฤษนิจังุทธาปัจจายิโนจัตโรธมาวะทานติอายุวโนสุข้างพาลาต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านนะคะคําถามแรกจากคุณกิมจิ้นกิมจิ้นอยากถือศีลแปดในวันพระ แต่ติดเรื่องการทานอาหารก่อนเที่ยงเนื่องจากทางานถ้าทานหลังเที่ยงจะได้หรือไม่คะผิดศีลหรือไม่คะได้ถ้าไม่ไม่ถ้ามันจำเป็นจริ ง, รงๆก็มันต่างกันชั่วโมงนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่ามันอาจจะในสายตาของพวกคนที่เขาถือเคร่งเขาก็อาจจะว่าผิดแต่ถ้าเรามองด้วยเหตุด้วยผลมันก็ชั่วโมงนึงมันก็ ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต่างกันแล้วก็มันทำด้วยเหตุผลไม่ได้ทำด้วยความอยากบางคนอยากจะกินบ่ายๆหน่อยเพราะกลัวเดี๋ยวตอนคืนมันจะหิวถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรแต่ถ้าเพราะว่าทำงานเขาหยุดเที่ยงวันแล้วต้องกินอาหารเที่ยงถึงบ่ายโมงอย่างนี้ก็มันก็มีเหตุมีผลเพราะสมัยพุทธกาลสมัยโบราณเขาไม่มีทางานแบบเรา เขาหยุดกันเวลาไหนก็ได้เพราะ ท, ทําไร่ทํานาทําการค้าขายเองและส่วนใหญ่เขาก็จะมักจะหยุดในวันในวันพระกันในสมัยปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องปรับวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดทํางานของเราแทนเช่นเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ให้ถือวันเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นวันพระไปแล้วเรามารักษาศีลแปดในวันเสาร์อาทิตย์กันอย่างนี้ก็ยัง ที่จะรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันได้เยอคำถามต่อไปจากคุณกนกพรภัยสารอศวะเสนีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หลังที่ท่านสิ้นตัณหาลาคะโทสะโมหะแล้วในภาวะชีวิตปกติของท่านจะเกิดอกุศลวิบากจิตได้ไหมคะ เช่นพระสาลีบุตรกระโดดข้ามคูน้ำพระโมคคลานะถูกทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวพระพุทธเจ้าทรงหอพระโลหิตอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงอากุศลอะไรต่างๆว่าอันนี้เป็นเรื่องของวิบากที่โดนที่ทำให้ถูกพระ ห, อ, หอพระโลหิตถูกคนตามจองฆ่า พระโมกคัลลาถุกคนเขาตาฆ่าตายอันนี้เป็นเรื่องของวิบากมันไม่เกี่ยวกับจิตใจมันเกี่ยวกับร่างกายที่ยังหนีไม่พ้นแต่จิตใจนี่หนีพ้นไปแล้วคือจิตใจไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายก็เลยไม่ไม่ไม่ไปทําบาปทำำํากรรมถ้าเป็นผูุ้ชนนี้ถ้าใครมาทําเราเราก็อาจจะไปทําเขา เพื่อป้องกันแม่เขามาฆ่าเราอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นอกุศลได้อยู่แต่ใจของพระพุทธเจา้าใจของพระอรหันต์นี้ท่านไม่ยึดติดกับร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าสอนเขาให้หยุดได้ก็สอน อย่างคนที่เขาส่งมาฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เขาเห็นโทษของการฆ่าจนในที่สุดเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ฆ่าอันนี้ก็วิธีการของผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วท่านจะไม่สร้างอากุศลเพื่อที่จะมารักษาป้องกันชีวิตของท่านคำถามต่อไปจากคุณแม่ลูกสามจากบุรีลำข้อที่หนึ่งโยมมีลูกสามคน อายุ22ปี16ปีและ12ปีเขาทั้งสามคนทำบุญทำทานรักษาศีลแต่ชวนมาภาวนาไม่ค่อยอยากมามีข้ออ้างต่างๆนานาโยมควรที่จะมีกุศโลบายอย่างไรเพื่อให้เขามาฟังเทศพระอาจารย์และเพื่อมาภาวนาเจ้าคะก็ชวนเข้ามาเป็นเพื่อนเลยบอกว่า ผู้หญิงแม่เป็นผู้หญิงมาวัดคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนมาด้วยข้อที่2การที่เรามาวัดตลอดโดยที่ไม่ได้พาเขามาด้วยจะเป็นการกระทําที่ถูกต้องสมควรหรือไม่คะเป็นการบกพร่องหน้าที่และเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเจ้าคะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลอยู่ที่เจตนาของเรา ถ้าเราอยากจะมาคนเดียวไม่สนใจที่จะพาเข้ามาอันนี้ก็เป็นการเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราชวนเขาแล้วเขาไม่อยากมาก็ช่วยไม่ได้คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะถ้าเราปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ต่างๆแต่เราก็กินอาหารที่ทําจากสัตว์เหล่านี้จะเป็นบาปไหมคะ เพราะบางความเชื่อบอกว่าไม่ควรกินอาหารที่ทำจากสาัตว์ประเภทเดียวกับที่เราปล่อยขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะมันคนละเรื่องกันการปล่อยนกปล่อยปลานี่เป็นการถ่ายชีวิตให้กับเขาถ่ายวัวถ่ายโคถ่ายหมูถ่ายเป็ดถ่ายไก่อันนี้เป็นการซื้อชีวิตหรือถ่ายชีวิตให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป ส่วนการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามชนิดที่เราปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าฆ่าแล้วเพื่อเอามาทำเป็นอาหารนี้ก็บาปแต่ถ้าไปซื้อของที่ตายแล้วในตลาดเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตสมัยนี้เขาแช่แข็งไว้เก็บไว้ได้เป็นปีของตายแล้วเราจะ ซื้อไม่ซื้อมันก็ตายอยู่ดีนั่นเราไม่เกี่ยวเราอย่าไปฆ่าก็แล้วกันหมดคำถามจากทางบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อเออนั่นอย่าไปตามร้านอาหารที่มีตู้ปลากำลังว่าอยู่ก็ชี้ตัวนี้สวยแล้วกันน่าจะอร่อยหรือไปตามตามอาบอบนวดที่เขามี ปลานั่งอยู่ในตู้ <laughs> แล้วว่าอยากจะได้ปลาตัวนี้มนันด้ว <laughs> ยอย่างนี้ก็บาปเราต้องคิดถึงสงสารเขาเขาไม่มีใครอยากจะทำงานแบบนี้หรอกแต่บางทีภาวะมันความยากจนบีบคั้นแล้วก็ความโง่เขาด้วย ไม่รู้ว่าเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองความโลภอยากจะได้เงินทองที่หาได้ง่ายเพราะตนเองไม่มีความสามารถที่จะไปทํางานทําการเพราะไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ความสามารถเพราะตอนยาววัยก็อาจจะเกลียดข้านไม่ชอบไปโรงเรียนหรือว่าถ้าเป็นกรรมก็คือพ่อแม่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียให้ไปได้เรียนหนังสือ ก็เลยต้องมาทำอาชีพเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่เราไม่ควรที่จะไปถ้าเราอยากจะไปะช่วยเขาก็เข้าไปแล้วก็เอาเงินให้เขาแล้วก็กลับบ้าน <laughs> อาขออนุญาตถามต่อจากคำถามของแม่ที่ฝากถามมาค่ะก็คือพระอาจารย์เห็นลูกสาวสิบขวบนะคะ อยากได้อยากให้คนนั้นรู้สึกอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกว่าฟังพระอาจารย์พระอาจารย์พูดถึงกรรมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาคือจริงๆแล้วอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอุบายที่ให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือจริงๆแล้วเราควรจะหยุดที่ใจเราเพราะมันเป็นภวะตันหาของตัวเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกจะเข้าใจอยากให้ลูกเข้าใจถึงสี่พวกนี้ดีขึ้ น, นค่ะ คำถามเป็นยังไงคำถามคือจริงๆแล้วเรามีอุบายที่จะให้เด็กสิบถั่เข้าใจหรือจริงๆแล้วเป็นพี่เป็นที่ความเป็นแม่ที่ผิดเองอยากจะให้เขาเข้าใจเพราะว่าเป็นภาวะตันหาของแม่เองควรจะหยุดที่ตัวแม่ค่ะให้เขาเข้าใจอะไรเข้าใจเรื่องของกา ร, รมัดตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเหมือนกับอยากได้นูน่นอยากได้นี่อ ย, นนอยากไปนู่นอยากไปนี่อย่างนี้ค่ะคือไม่อยากให้เขามีความอยาก อยากให้เขาเข้าใจใช่ค่ะอยากให้เขาทันว่าเอออันนี้ถ้าอยากแล้วมันไม่ได้หนูก็<อ>หนูก็แบบหงุดหงิดหนูก็ไม่สบายใจอะไรเนี้ยค่ะก็เรามีหน้าที่สอนเท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่เข้าใจแทนเขาเราสอนเขาแล้วเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่ภูมิปัญญาของเขาถ้าเขามีภูมิปัญญาถึงเขาเข้าใจเขาก็จะเลิกความอยากได้แต่ถ้าภูมิปัญญาก็ยังไม่ถึง เขายังไม่เห็นโทษของความอยากเขายังเห็นคุณของความอยากอยู่เขาก็จะเลิกไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปงดหยิดหลังจากที่เราสอนเขาแล้วถ้าเขาไม่สามารถทำตามที่เราสอนได้ก็ถือว่าเขายังโง่อยู่ก็แล้วกันก็ต้องคอยสอนไปเรื่อยๆคอยเตื่นไปเรื่อยๆแต่พยายามอย่าใช้อารมณ์อย่าไปถือว่าเราเป็นแม่เราพูดแล้วเขาจะต้องเชื่อเราเสมอไป ให้เขาเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอย่าเชื่อเพราะว่าเราเป็นคนพูดเพราะถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเราจะทุกข์ใจกลับกลับกลับนรรสการพระอาจารย์ขออนุญาตขอโอกาสในการถามค่ะ อ, อปกติเวลาเราแผ่เมตตานะคะปกติเราสวดเผิดมน์ทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาหมายความว่าเราจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้อง มีบุญก่อนเราถึงจะแผ่เมตตาแผ่สังคุศลได้หรือเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกชื่นใจหรือว่าน้อมนําในความยินดีแล้วเราสามารถแผ่เมตตาได้เลยคือหมายความว่าเราต้องมีบุญก่อนหรือเปล่าเราถึงจะจะให้คนอื่นได้ค่ะคือแผ่บุญกับแผ่เมตตามันคนละเรื่องกันแผ่บุญนี้เราต้องทําบุญก่อนบุญที่เราทําแผ่ได้นี้ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทําทาน เช่นเาวันนี้เรามาทำทานแล้วเราก็มีความอิ่มใจสุขใจเราสามารถแบ่งปันความอิ่มใจนี้ให้แก่ผู้ที่ยังหิวอยู่ได้คือดวงวิญญาณที่ไม่ได้ทำบุญเวลาที่มีชีวิตอยู่พอเขาไม่มีร่างกายเขาก็ไม่สามารถหาอาหารให้กับเขาได้เขาก็เลยหิวหิวถ้าเรามีบุญนี้เราแล้วเขามารอรับมาขอส่วนบุญเราก็แบ่งให้เขาได้ แต่ถ้าเขาไม่ได้มารอรับไม่ได้มาขอเราส่งไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่หิวก็ได้เขาอาจจะเป็นเทวดาเขาอาจจะมีบุญมากเขาไม่ต้องการไปส่วนบุญที่เราทำให้กับเขาก็ได้อันนี้เรื่องเรื่องของการแผ่บุญอุทิศบุญส่วนใหญ่เราจะ เข้าตามความเข้าใจจะทําอุทิศได้แต่บุญที่เกิดจากการทําทานเพราะเป็นบุญที่ทําให้มีความอิ่มเอิบใจในระดับของผู้ที่รอรับถ้าบุญที่สูงกว่านั้นนี้ต้องสร้างกันเองเช่นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาทําใจให้สงบอันนี้แผ่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบุญเฉพาะตน สร้างกันขึ้นมาเองถ้าไม่เชนั้นพระพุทธเจ้าก็แผ่นิพพานให้พวกเรากันสบายไปเลยดัง <c oughs> <c oughs> นั้นเรื่องของแผ่บุญเป็นอย่างนี้ที่เรื่องของแผ่ความเมตตานี้หมายถึงให้เรามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราแผ่ตอนนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการซ้อมแผ่คือยังไม่มีผู้รับ ผู้รับต้องคือบุคคลหรือสัตว์ที่เราประชิญหน้ากันเวลาเจอใครเนี่ยเราถ้ายิ้มแย้มแจ่สายทักทายเขานี่เราเรียกว่าเราแผ่เมตตาแล้วเรามีความปรารถนาดีกับเขาเราก็ทักทายเขาสบายดีหรื อ, อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรนี่เรียกว่าแผ่เมตตาหรือเวลาที่เขาทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเสีย อ, อกเสียใจเราก็ไม่ถือโทษโกรธเคือง นี่เรียกว่าแผ่เมตตาให้อภัยไม่จองเวรจองกรร ม, มการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ที่ต่อหน้ากับสัตว์กับบุคคลถึงจะแผ่ได้แต่เวลาที่เราอยู่ตามลําพังนี่เราเป็นการซ้อมแผ่ยกเว้นว่ามีเทวดามีผีมาหาเราเราก็แผ่ได้เราก็ต้อนรับเขาอย่าไปกลัวเขา เหมือนกับมีเพื่อนมาหามาเยี่ยมเราก็ทักถ่ายเขาสบายดีหรอเป็นอะไระะเขาก็เป็นดวงจิตดวงใจเหมือนเราเพียงแต่เขาไม่มีร่างกายเหมือนเราเท่านั้นเองเขายังรอเวลาไปเกิดอยู่ช่วงรอเวลาไปเกิดเขาก็เวียนไปเวียนมาถ้าเรามีพลังจิตที่สูงนั่งสมาธิสงบเราก็อาจจะสัมผัสรับรู้กับพวกกายทิพย์ได้ ถ้าเขามาเราก็ทักทายเหมือนกันเราเจอคนทั่วๆไป ถ, ถามสารทุกสุขดิบว่ามาจากไหนหน้องปู่มันท่านยังถามเลยพวกเทวดามาจากไหนเขาบอกมาจากประเทศเยอรมันนั่นเคอยอ่านไหมในประวัติคนที่มีพลังจิตเขาไม่กลัวง่ายๆหรอกเขามีสติมีสตงางมีอะไรมาปรากฏนี่เขาก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับมองด้วยตาเนื้อ อย่างวันเราเจอกันตนเนี้ล้วก็ทักทายกันถามสารทุกสุดดิบกันเดือดร้อนมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปเรียวกว่าแผ่เมตตาเอจะเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ ะ, อะขอกัดถานต่ อ, อจากเรื่องเรื่องตาในในตู้ที่เป็น <laughs> เป็นร้านอาหารเลยนะครับท่านอาจารย์ สงสัยมีมีสองข้อครับข้อแรกคือถ้าเกิดไปร้านอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราเราไม่ได้คนสั่งคือไปทั้กลุ่มนี่แหละไปด้วยกันแล้วมีเพื่อนสั่งแล้วเราทานด้วยกับไม่ทานเนี่ยบาปหรือกรรมเนี่ยจะต่างกันไหมครับอยู่ที่เจตนาว่าเราอยากจะรับประทานมันหรือเปลารับประทานเราใช้เลเล่เล่ เ, ล เ, ล เ, ลเพอุบายให้เพื่อนสั่งแทนอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่แต่ถ้าเราไปเพราะจำจายอมเพราะว่าอยู่ในสังคมแล้วถูดจุดลากพาไป แล้วไปถึงเราก็ไม่ไปสั่งเขาจะใครจะสั่งใครจะกินอะไรก็ปล่อยเขาสั่งเข้าไปเอพอมาที่โต๊ะแล้วเราก็กินได้เพราะมันตายแล้วครับแล้วก็อีกอีกในนึงคือถ้าเกิดาบางครั้งไปเนี่ยแล้วเป็นร้านแล้วเราสั่งนี่จะพยายามจะบอกเขาว่าขอตัวที่ตายแล้วก็ถามว่าก่อนมีของตายแล้วไหมแต่แต่ไม่ แ, แน่ใจว่าเขาเอาเอาตายมาแล้วจริงๆหรือว่าไปทําให้ตายเองอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วเอ่ ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราสั่งก็แล้วว่าเราต้องการของที่ตายแล้วก็อาจ<อ>จะทำตายตอนตอนที่เราสั่งมันก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าไม่ได้เป็นผู้สั่งแต่สมมติว่าเราคา้าเราทำมาเราเราค้าขายขายข้าวมันไก่อย่างงี้ยแล้วเราไปที่ตลาดสั่งเข้าล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราบอกว่าพวกนี้เอาไก่สามตัวนะ แต่ถ้าเราไปที่ตลาดแล้วถามว่าวันนี้มีไก่ไหมถ้าเขามีเชื่อขายอยู่เราก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปคื อ, นะ ค, อคือถ้ารู้ว่าเขาต้องไปฆ่ามาเพิ่มแต่อย่างเชสมมติเที่ยงจะไปทานข้าว11้วสวโมงโทรไปบอกว่าจะเอาปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ตเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารทั่วไปอย่างนี้ก็ไม่น่าจะก็ถ้าเรารู้ว่าเป็นร้านอาหารที่ปลาที่เขาซื้อมามันตายอยู่แล้วไม่ได้นอนอยู่ไม่ได้อยู่ในตู้อะไรอย่างนี้อยู่ในอยู่ในตู้เย็นแล้วแช่เย็นแล้ว ถ้าเป็นของตายแล้วคือถ้าเราไม่รู้สักอย่างแล้วเราไม่มีเจตนาที่อยากจะกินของเป็นเป็นโดยที่ให้เขาฆ่าเพื่อเรานี้มันไม่บาปนะครับันหลักก็คืออยู่ที่ใจเราว่าว่ามันเป็นอกุศลหรือเปล่าอืก็ใจเรามีเจตนาอยากจะให้เขาตายหรือเปล่าขอขออนุ ญ, ญาตถามอีกหนึ่งคำถามนะคะคือ ถ้าหากเราเคยเอาจจะล่วงเกินพระพุทธพระธรรมหรือว่าพระสงฆ์ด้วยกายวาจาหรือว่าด้วยใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยอดีตอไปถึงปัจจุบันเป็นเด็กๆอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าปกติที่เวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเรามีบทขอเข้ามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะช่วยผ่อนผันหรือว่าทําให้กรรมมันเบาบางลงบ้างไหมคะคือกรรมที่เราทำไปแล้วมัน ต้องเป็นมันต้องส่งผลไปตามตามเหตุในการล่วงเกินนี่มันอาจจะไม่มีผลอะไรก็ได้เช่นเราทําด้วยความไม่รู้ไม่เคารพอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลที่เราไปไปล่วงเกินผลที่จะกลับมาหาเรามันก็ไม่มีผลเสียหายแต่าการที่เราขอกรรมาลาวโทษนี้เป็นการสอนใจเราให้ สำนึกผิดแล้วพยายามอย่าไปทำผิดซ้ำซากอีกต่อไปถ้าวิธีที่ดีก็คือขอกรรมาราโทษแล้วต้องมีมาตรการลงโทษตัวเองด้วยเช่นไปภาวนาสามวันร่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปปีกวิเวกไปถือศีลแปสักามวันไปอยู่อินทรีสังวรขังตัวเองไม่ออกไปหาใครไม่ไปดูไม่ไปฟังอะไร ได้อย่างนี้มันจะเข็ดหลาบได้ถ้าขอคมาลาโทษโดยที่ไม่มีโทษมันก็รู้สึกเฉยๆขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวข้างเดี๋วข้างตอบใบากาวอีกขอบคุณค่ะาวันนี้ไม่มีใครถามอีกแล้วนะงัะ้นก็ขอยุติการประชมุมไว้เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าค่อยมาพบกันใหม่